บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปละธรรมที่ทรงแสดงแก่ท่านเมตตคูในตอนต่อไปนั้นในรับสั่งเป็นใจความว่าเธอรู้ธรรมอย่างใดแล้วให้ปล่อยวางส่วนเบื้อง สูงเรื่องต่ำและส่วนท่ำกลางอันเป็นทางกว้างมีใจไม่ผูกพันไม่เกี่ยวข้องในวิญญาณทั้งหลายเมื่อนั้นจะเข้าถึงความที่สุดแห่งทุกข์ข้อปฏิบัติที่ทรงแสดงนั้นเป็นการแสดงเพื่อจุดหมายสูงสุด สำหรับท่านผู้ถามปัญหานั้นๆธรรมมันเป็นส่วนเบื้องสูงเบื้องกลางเบื้องต่ําและเบื้องกลางอันเป็นส่วนกว้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็ น, นพิจพิจารณาธรรมอะไรถ้าจะปองกันในแง่โลกอบายก็เป็นส่วนเบื้องต่ําเทวโลกก็เป็นส่วนเบื้องสูง มนุษย์ก็เป็นส่วนเบื้องกลางในทางกว้างถ้าจะมองกันในแง่ของเวทนาสุกเวทนาก็เป็นธรรมเบื้องสูงทุกเวทนาก็เป็นเบื้องต่ำความไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นส่วนเบื้องกลางอันเป็นทางกว้างหรือแม้จะในกล่าวในแง่ของกุศลนักกุศล กุศลธรรมก็เป็นส่วนเบื้องสูงอคุศล ธ, ธรรมก็เป็นส่วนเบื้องต่ำอปยากตธรรมก็เป็นส่วนเบื้องกลางอันเป็นไปในทางกว้างกรนี้ฟังดูแล้วก็เป็นสำนวนที่มีลักษณะเป็นบาลีอยู่หน่อยหนึ่งประเด็นที่น่าศึกษาน่าทําความเข้าใจก็คือว่าพวกมนุษสโลกก็ดี พวกอัพยากตะธรรมคือธรรมที่เป็นส่วนกลางกลงก็ดีพวกอทุกกรรมสุกเวทนาที่ท่านใช้คำว่าเป็นส่วนเบื้องกลางอันเป็นไปในทางกว้างนั้นข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าการเรียนรู้ความจริงทั้งหลายนั้นเรมามักจะเรียนจากสิ่งที่เป็นกลางกลางคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม แต่ว่าตัว เ, เองก็เป็นกลางๆคือไม่ดีไม่ชั่วเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ในกลุ่มของทุกขสัตว์ที่ทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติกําหนดรู้ถึงสภาวะความจริงของสิ่งต่อนั้นเช่นการพิจารณาตามหลักของอภินหาปัจจุบันขณะก็ดีหรือการพิจารณานามรูปก็ดีนั้น เป็นการพิจารณาสิ่งที่เป็นกลางๆคือบปยากริตรเป็นประการสำคัญเพื่อผู้ปฏิบัติกำหนดพิจารณาเห็นเรื่องความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็เป็นไปตามสุดที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงทำให้บุคคลเข้าใจและยอมรับความจริงใน3 ส, สถานะคือฐานะที่เป็นอยู่มีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาว่าธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้น ยอมรับในแง่ของสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ร่วงพ้นก็มีสภาพเป็นอย่างนั้นและในที่สุดก็มองกลับมาหาตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจดมองเห็นสัตว์ได้สังขารท่างหลายว่าไม่สามารถจะหลุดพ้นจากความเป็นจากนั้นไปได้ ในการเรียนในแนวนี้เพืสังเกตว่าแม้แต่พระผู้มีระภาคเจ้าก่ อ, กอนเสด็จออกพนุษก็ทรงศึกษาธรร ม, มันเป็นส่วนทํากลางกลา ง, ลางคือเรียนจากคนแก่คนเจ็บคนตายในสัปนะซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติแต่ความมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาตินั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง ก็เกิดขึ้นมาจากการกำหนดอารมณ์ว่าเป็นที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจถ้าไปกำหนดว่าน่าชอบใจก็เกิดสุกเวทนาถ้ากำหนดว่าไม่น่าชอบใจก็เป็นทุกเวทนาแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นคือเป็นไปโดยธรรมชาติตามสภาพแต่ก็บุคคลเข้าใจถึงกฎของความจริงเหล่านี้ แล้วในที่สุดก็จะน้อมนึกเข้ามาหาเพาแม้ตนเองก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้จิตสํานึกที่เกิดขึ้นยอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเจตนนี้จะทําให้บุคคลดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทอาจจะเป็นการประมาทในวัยในชีวิตวในความไม่มีโรคกระตับ มองเห็นความตายเหมือนสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่แฝงอยู่กับความมีชีวิตตั้งแต่ในยามที่อวัยวะมือเท้าสติปัญญงปัญญากำลังความเพี่ยนพยายามของตนยังมีอยู่ผู้คนเหล่านั้นก็จะรีบปริ่ปฏิบัติเพื่อขจัดตนหรือวันเทาความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตจากราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะ ให้เต็มตามสติกำลังทางการรู้ทมทั้งสามข่ายมว่าในส่วนดีส่วนกลางกลางหรือส่วนไม่ดีก็ตามแต่ท่านเนตได้เห็นว่าส่วนกลางนั้นเป็นส่วนที่เป็นไปในทางกว้างคือหมายความว่าโดยอัตภาพของมนุษย์ในกรณีของภพสามโดยอัตภาพของมนุษย์นั้นเกื่อไขปัจจัยต่งางๆอำนวยให้มากพอ ที่ช่วยให้บุคคลเรียนรู้ถึงความจริงแห่งชีวิตโดยในยะดังกล่าวนรกนั้นมีอาการแผดเผารุนแรงเกินไปกายก็ไม่สงบใจก็ไม่สงบก็คล้ายๆกับเราเจ็บไข้ได้ป่วยประสบความทุกข์ทรมานอย่างแสนสหาหัสหรือดูตัวอย่างง่ายๆว่าหิวข้าวปวดท้องปวดหัวปวดท้องเป็นต้นในขณะนั้นกายไม่สงบจะพิจารณาให้เห็นธรรมะไปะจากแจ้งถึงความจริงนั้น เกินไปได้ยากนอกจากว่าคนนั้นจะมีจิตที่เข้มแข็งๆๆจริงๆส่วนเทวลโลกนั้นสบายเกินไปอายุมากเกินไปเป็นสุขมากไปเมื่อชวนท่านเหล่านี้ไปพูดถึงสั้งขารทั้งหลายเป็นของไม่เทียงเกิดแล้วมีความเสื่อมสลายไป การที่บุคคลมาพิจารณาเห็นสังขารถึงความตามความเป็นจริงชนนี้แล้วเบื่อนหน่ายก็จะเข้าถึงความหมดจุดท่านมองเห็นได้ยากเพราะชีวิตของท่านนั้นมีความเปลี่ยนแปลงช้ามากว่าช้าจนเกิดไม่ฉาทิฐิกันมาทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตระดับพรหมโลก พระพโลกเกิดไม่ฉาทิจิติคือพระพรหมเกิดไม่ชาติจิติขึ้นเพราะอายุท่านนานเกินไปอาธรรมไม่เกิดสําคัญมั่นหมายว่าท่านเป็นภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นตัวยืนโด่งเป็นต้นเหตุของสรรพสิ่งเป็นต้นตอ น, นั้นจะพราบว่าการศึกษาทำํทำการปฏิบัติธรรมจึงมันอยู่ที่ส่วนท่ากลางอันเป็นไปในทางกว้างขึ้นมายความว่าจะปิดประตูาบายเปิดประตูสวรรค์หรือเปิดประตูนิพพานก็ได้ ว่ในแง่ของทุกเวทนาของมนุษย์ถ้าเทียบกับนรกแล้วมันก็ดีกว่ามากความสบายในด้านร่างกายก็มีความสบายในด้านจิตใจก็พอเกื้อกูลได้และอายุของมนุษย์ก็ไม่นานเกินไปสามารถมองเห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายในแง่ของใจรักได้ดังนั้นอัตภาพของเป็นมนุษย์จึงมีความเกื้อกูล ที่ทรงใช้คำว่าท่ามกลางกันเป็นไปในทางกว้างคือกระจายตีวงออกไประดับสังสารวัตรก็อยู่ในฐานะที่ปรุงแต่งพบชาติในประณีตได้ระดับที่การจะช่วยหลุดพ้นจากทุกข์ก็มีปัจจัยต่างๆเกื้อกูลสนับสนุนในการเรียนรู้ความจริงตำหลักของปรจัยลักอยู่ในโลกมนุษย์นี้ฉันนั้นจนึงทรงใช้คานี้ว่าท่ามกลางที่เป็นไปในทางกว้าง แต่ว่าในการรู้ธรรมนั้นบุคคลจะต้องรู้หมดทั้งสมด้านคือด้านที่เป็นกุศลก็ต้องไปจากแจ้งแก่ใจของตนและใ้กุศลเป็นตัวกระตุ้นเร่งเรา้าให้บุคคลพัฒนาจิตของตนเองขึ้นไปเพื่อสัมผัสผลแห่งกุศลดอกนั้นข้อ น, นี้จะพบว่าแม้แต่คนระดับพระริยบุคคลที่ทาัได้บรรลุมากคผล บางครั้งท่านก็ได้ตัวอย่างของกุศลและธรรมที่ปรากฏเป็นรู ป, ปรธรรมแล้วคือหมายความว่าบุคคล น, นำไปประพฤติปฏิบัติได้แสดงออกเป็นอาการทางกายทางวาจาที่สงบท่านก็เกิดความพอใจความยินดีความเชื่อมั่นที่จะทำตนให้สัมผัสผลเช่นนั้นบ้างลักษณะเหล่านี้เรามองได้แม้แต่ที่พระโพธิสัตว์คือเจ้าชาติตะตะนังกล่าวแล้วการมองเห็นสมณะ ซึ่งเป็นเทวทูตที่สี่นั้นเป็นภาพที่พิเศษออกไปจากความแก่ความเจ็บคนแก่คนเจ็บคนตายประมองเห็นภาพของกุศลธรรมที่ออกมาเป็นรูปร่างบุคคลสแสดงอาการกริยาเป็นผู้สงบจากบาปจากอากุศลทําให้ทร ง, งมองเห็นว่าด้วยเพศอย่างนี้ด้วยอัตภาพอย่างนี้อยู่ในสิ่งเวดล้อมที่มีความเกื้อกูลต่อความสงบ จะทําให้พระองค์สามารถพ้นพบทางแห่ ง, งการตัดสรูได้หรือว่าการที่รทพระสัจจิเห็นพระสารีบุตรเห็นพระสัจจิที่มีอาการกริยาก้าวไปเดินไปสงบเสงี่ยมเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้เกิดนีน่ก็หมายความว่าเป็นการเห็นแจ้งในกุศลธรรมที่ปรากฏเป็นรู ป, ปรธรรมคือปรากฏในตัวบุคคลแล้ว พิสูดยืนยันได้แล้วก็เพียงแต่ถามว่าท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้รับผลเช่นนั้นเมื่อศึกษาสอบถามแล้วก็น้อนมนำธรรมะนั้นมาประพฤติปฏิบัติบุคคลก็จะรับผลเช่นนั้นแต่การมองในแนวบาปในแนวกุศลนั้นมองในด้านที่ควรแก่การหลีกหนีละเว้นให้อ่างไกลเหมือนบุคคลเวน้นการเกี่ยวข้องกับสารพิษ งดเว้นทางไกลกันดานที่มีอันตรายงดเป็นจากสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจมียาพิษเป็นต้นในขั้นของการศึกษาบุคคลต้องศึกษาทั้งสมด้านคือไม่จะรู้ด้านใดด้านหนึ่งตรรมในทางลัทธศาสนาจึงเน้นไปทั้งสามทางที่ทางกุศลและกุศลและกลางๆเพราะถ้าเรารู้ด้านใดด้านหนึ่งนั้น โอกาสที่จะทํางานผิดพลาดนั้นเป็นไปได้ไง่ายเราจะหลงเข้าใจอกุศลว่าเป็นกุศลก็ได้เพราะกุศลบางอย่างสมบับการปฏิบัติบางระดับนั้นก็เป็นกุศลระดับหนึ่งเป็นความดีงามระดับหนึ่งแต่กลับเป็นอุปสรรคของผู้ปฏิบัติอีกระดับหนึ่งการปฏิบัติธรร ม, มาในทางาศาสนาจึงมีลักษณะคล้ายๆกับการเดินทางไกล ที่ต้องขึ้นรถตรงเรือเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆรถผลัดหนึ่งนั้นก็มีประโยชน์ในส่วนของผลัดนั้นแต่ถ้าคนไปกำหนัดไปเพลิดเพลินไปติดอยู่ในรถผลัดแรกโอกาสที่จะขึ้นรถผัดที่สองก็มีไม่ได้หรือไปกำหนัดยินดีในรถผลัดที่สองก็จะขึ้นรถที่สามไม่ได้เป็นต้นดะนั้นความเกี่ยวข้องความผูกพันในรมทั้งหลายบางครั้งแม้จะประณีตยังไงก็ตาม ก็ถือได้ว่าก่อให้เกิดความล่าช้าอาการจงักงานในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติจะวงเนียยบุคคลเอาไว้เพียงเท่านั้นเองเพราะถ้ามองจะจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแล้วหรือถ้ามองอย่างที่พระพุทธเจ้ามองแม้สมบัติอันเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยสักขากาถาในนบุพีคาถาทั้งห้าประการ อเอาจริงแล้วพอถึงตอนที่สี่พระพุทธเจ้าทรงสุดแดงกามาทินบคือโทษของกรมไม่ว่าจะเปะน็นนิอย่างไงกรรมที่เป็นมนุษย์ก็ดีกามที่เป็นทิพย์ก็ดีก็เหลือมีความมีโทษอยู่พระมองจากจุดที่บริสุทธิ์ผุดผ่อนจริงๆใกล้ๆการมองผ้าขาวกับมองผ้าดำผ้าดำนั้นอาจจะมีจุดด่างอะไรอยู่แต่ก็ไม่เด่นชัดเห็นไม่ชัด แต่ถ้ามองผ้าขาแม้แต่จุดเดียวเล็กนิดเดียวก็จะเห็นได้ชัดปัากาทางจิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะมีความละเมียดละใหมในตัวเองขึ้นไปโดยลาดับจุดหนึ่งอาจจะดีสิ่งหนึ่งอาจจะดีในจุดหนึ่งแต่พอก้าวไปถึงจุดหนึ่งก็กลับมีปัญหาเป็นลูกตุ่มทวงลงไปจึงทรงสั่งสอนให้ดูได้ทั้งสามธรมทั้งสามคือส่วนเบื้องสูงเบื้องต่ำและเบื้อง เบื้องกลางของสิ่งเหล่านั้นโดยมุ่งหมายอยู่ที่จิตจะต้องไม่พัวพันไม่หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนท่รมกลางหรือว่าส่วนเบื้องต่ําหรือว่าส่วนเบื้องสูงก็ตามในลักษณะาทางอารมณ์ให้เห็นว่าเราทรงสอ น, นให้ปล่อยอย่างน้อยในชีวิตประจําวันของบุคคล ถ้าจะเหนียวอดีตก็เหนียวมาเฉพาะเป็นบทเรียนไม่จะเหนียวมากลุ้มมาวิตกกงังวลจะคอยว่ า, านต ก, ก็เพียงแต่ตั้งความหวังแต่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากก็ยังไม่ถึงถึงจะคิดจะปรุงจะแต่งยังไงก็ยังไม่ถึงอยู่นั่นเองแต่ก็ให้กรรําหนดจิตอยู่ที่ปัจจุบันธรรมปัจจุบันที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะนั่นเองให้สติปัญญาเกิดขึ้น สัมพันธ์กับสิ่งที่ตนประสบทางประษาสัมผัสคือจะยินด้วยหูจะเห็นด้วยตายินได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นไ ด, ด้ถูกต้องด้วยการกอยตามสติสัมปชัญญะทำหน้าที่ระลึกรู้ตัดสินอารมณ์ได้ในขณะนั้นๆตัวแยกได้ชัดว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกลางๆอะไรเป็นอดีตอนาคตเป็นปัจจุบัน หรืออะไรเป็นธรรมเป็นไปในอบายเป็นไปในมนุษย์เป็นไปในสวรรค์ตลอดถึงว่าเป็นเวทนาอะไรในเวทนาทั้งสามเป็นต้นมารูแล้วก็ส่งสอนให้ปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรข้วมาการปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรนั้นพึงดูตัวอย่างง่ายๆแม้ในการรับประทานอาหารด้วยการซักผ้าด้วยการกวาดพื้นหรือแม้แต่การดูดฝุน่นอะไรก็ตาม ก็เป็นการปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีนั้นๆซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าตามานุธรรมปฏิบัติแปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมในกรณีของการรับประทานอาหารตรงไหนควรใช้มือใช้ซ่อมใช้ช้อนหรืออาจจะใช้มิตรก็ใช้ไปตามสมควรแก่กรณีนั้นๆแต่ตั้งนี้เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไปอย่างเดียว เ ค, เครื่องมือนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่มือก็คงไม่เปลี่ยนมือก็คงเป็นมือเดิมการปฏิบัติธรรมระดับกรรมฐานนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะความเพียรคือจะต้องเจออยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นสมถธิรารรมาฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมืออย่างสําคัญที่ขาดเสียไม่ได้ยิ่งวิปัสสนากรรมฐานความเพียรต้องสูงสติต้องเร็วสัมปชัญญะต้อง แจ่มแจ้งชัดเจนในขณะนั้นๆเพราะการมองสิ่งทั้งหลายถ้าว่าไม่แจ่มแ จ, มแจม้งพอมันก็เหมือนกับการมองสิ่งของในที่มืดมืดอากาศขมมกขมัวแต่สินใจอะไรไม่กรได้จิงหรือไม่จริงก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ทำนองเดียวกับการนั่งรถมองสิ่งของที่ริมทางเราก็จึงเราวินิจฉัย ใ, ให้ชัดเจนไม่ได้ ถ้าจะเอากันให้ชัดเจนเราก็ต้องจอดโดูอยู่กันพิจารณากันให้ประจักษ์แจ้งทุกแง่ทุกมุมคือบางครั้งบางคราวอาจจะเป็นการเห็นในมุมใดมุมหนึ่งแต่อีกสามมุมเราไม่เห็นเคืออจจะเห็นสามมุมแต่อีกมุมหนึ่งไม่เห็นการพูดถึงความจริงในเรื่องเหล่านั้นก็พูดได้อย่างมากก็แค่สามมุมซึ่งไม่ใช่เป็นการถูกต้องเสมอไป ดังนั้นในชั้นของศีลธรรมจรญยาพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มองทุกแง่ทุกมุมในชีวิตประจําวันของบุคคลไม่จําเป็นจะต้องเป็นระดับกรรมฐานอะไรก็ตามคือมองกันทุกแง่ทุกมุมบางครั้งบางคราวเพราะการมองในจุดใดจุดหนึ่งแล้ววินิจฉัยเอาตามประสบการณ์ของตนเองทําให้บุคคลต้องทุ้งเจียงกันในเรื่องเดียวกัน ลักษณะเหล่านี้ไม่จะเกิดขึ้นเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นในการไหนๆก็เป็นอย่างนั้นนีงในสมัยพระพุทธเจ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมากจนพระพุทธเจ้าต้องรับสั่งเล่าเรื่องตาบอดเจ็ดคนในคำชั่งเล่าให้ฟังว่าที่จริงคนตาบอดทั้งเจ็ดคนนั้นก็คร่ำชั่งด้วยกันแล้วก็ถูกชั่งด้วยกันถูกแต่และส่วนของชัางแล้วในที่สุดก็มาถีงกัน โดยอาศัยประสาทสัมผัสของตัวเองคือมือที่จับอาศัยประสาทมือเพียงอย่างเดียวคืออาศัยปวดสะพะกระทกกายเพียงอย่างเดียวในประสาทสัมผัสอีกสอย่างหรือว่าห้าอย่างไม่ได้ใช้คือตาก็ไม่ได้ดูหูก็ไม่ได้ฟังจมูกก็ไม่ได้สูดลมลิ้นก็ไม่ได้ลิ้มแล้วใจก็ไม่ได้กําหนดที่นิพจารณาใจประสาทสัมผัสเพียงส่วนเดียววิเคราะห์ตัดสินลงไปโอกาสที่จะผิดมันก็ผิดง่าย การมองอะไรก็ตามในปัจจุบันนั้นก็เห็นไปจากชัดในฐานะนั้นๆแล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปทั้งสามช่วงของสิ่งเหล่านั้นถ้าพูดเกี่ยวการเวลากอดีตนาคตปัจจุบันแต่ก็เน้นกันที่ปัจจุบันถ้าพูดถึงเวทนาก็สุขทุกข์ทุกข็มัสุขถ้าพูดถึงธรรมะก็กุศลนากุศลในกลางกลางเพื่อเข้าใจการกลางก็เข้าใจโดยความเป็นกลาง อกุศลก็เข้าใจโดยความเป็นอกุศลลักษณะความเข้าใจเหล่านี้พึงเห็นว่าแม้บุคคลจะขึ้นไปชั้นสูงแล้วก็ตามการแยกแยะในแนวนี้จะต้องมีอยู่เรื่อยไปถ้าเป็นงั้นโอกาสที่จะหลงทางก็มีได้ง่ายเรืนในตอนสุดท้ายทรงใช้คำว่าอจะเกี่ยวข้องผูกพันในวิญญาณทั้งหลาย วิญญาณก็คือความรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสในที่นี้เน้นไปที่จักวิญญาณคือความรู้ต่างตาเป็นต้นความรู้ที่เกิดขึ้นทางประสาทสัมผัสเหล่านี้ย่อก่อให้เกิดเป็นการกระทบกันของอิจตนาภายในภายนอกแล้วเกิดขึ้นวิญญาณเมื่อมีการกระทบใจก็กําหนดอารมณ์กําหนดอารมณ์เหล่านั้น ว่าน่าคราน่าปรารถนาหน้าพอใจหรือไม่น่าคลาไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจถ้ากําหนดว่าน่าใคราน่าปรารถนาหน้าพอใจก็เกิดความชื่นชมยินดีที่กว่าอภิชาในสิ่งเหล่านั้นเพียงเล็งโลภอยากได้ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้ามีการกําหนดว่าไม่น่าใคราไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็จะเกิดรู้สึกความยินไรความไม่พอใจในอารมณ์เหล่านั้น อกุศลทุจริตต่างๆก็เกิดขึ้นก็เป็นการเก็บการสะสมบาปไวาภายในใจตาก็จิตใจมีความสงบมีความมั่นคงจิตใจของบุคคลตั้งมั่นถูกก็จะกลายเป็นอเน็นขาคือไม่วไหวั่นไหวแต่ว่าข้อที่ทรงแสดงนั้นเป็นการแสดงจุดพ้นคือข้าถึงมรรคผลนิพพานเพราะนั้นจึงทรงสอนให้ติดหมดทั้งสอย่าง คือไม่ให้ติดทั้งในบาปทั้งในบุญและทั้งในอนิจชาคืออรูปฌานแต่ว่าโดยหลักทั่วไปแล้วเมื่อนำ ม, มาพูดสำหรับคนทั่วไปก็ไม่ควรเจอขอ้อแงติดเฉพาะส่วนอารมณ์ที่เป็นบาปคือก่อให้เกิดบาปอารมณ์ที่ก่อให้เกิดบาปนั้นสังเกตว่าก็ออกมาทั้งสามด้านเกิดจะเป็นอารมณ์ที่ ที่ดีๆก็ได้หรือที่ไม่ดีก็ได้หรือที่กลางๆ ก, ก็ได้เช่นบางคนเห็นการกระทําความดีของบุคคลอื่นซึ่งน่าจะอันโมทนาสาธุการแต่พระใจมีบาปยา่ก็เกิดริษยาในความดีเหล่านั้นเพราะความริษยาในความานั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดบาปต้อจะต้องรู้ทันทั้งที่ตัวกระตุ้นน่าจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นกุศล แต่เพราะบุคคลเอากิเลสขึ้นไปรับแปลกลับเป็นอกุศลคนอื่นก็ได้บุญเรากลับได้บาปหรือบางครั้งไปเห็นส่วนที่เป็นกลางๆใจก็ไปกำหนดด้วยความอยากได้ความปรารถนาความพอใจในจริงนั้นโลภะก็เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจสิ่งนั้นเป็นกลางๆแต่ใจเป็นกำหนดด้วยความอยากได้ ก็กลายเปน็นอกุศลไปด้วยบาปก็เกิดขึ้นภายในจิตหรือว่าสิ่งนั้นเป็นบาปอยู่แล้วเป็นการกระทําชั่วทําผิดอยู่แล้วเช่นมีคนด่าว่าคนรบกวนเราก็เกิดไปรับด้วยกิเลสประเภทเดียวกันเขาด่ามาก็ด่าไปคนรบกวนก็รบกวนไปส่งเสียงดังก็ส่งเสียงดังไปก็เป็นอกุศลทุจริตให้มากมูลขึ้นภายในใจบิณญบาณคือความรู้รึก เป็นต้นหล่อนี้ทั้งๆ ท, ที่สิ่งที่ผ่านมานั้นเป็นกุศลก็มีกลางๆก็มีอกุศลก็มีแต่รัจจัยในการกําหนดอารมณ์ไม่มีลักษณะแยกขายซึ่งพร้อมที่จะวินิจฉัยตัดสินไปในทางที่ถูกต้องเลือกเฟ้นธรรมที่ถูกต้องกลับใช้เป็นแนวทางปิดได้ทั้งหมดที่แสดงเห็นว่าภายในใจของบุคคลขาดความรู้ ที่มีกำลังมากพอในการวินิจฉัยอารมณ์ด้วยการหาประโยชน์จากอารมณ์มองอีกด้านหนึ่งถ้าว่ามีความรู้อยู่ภายในใจที่มี ส, สมติสัมปชัญญะความเพียรดังกล่าวแล้วอยู่ภายในใจก็จะ ก, กุบวิญญาณคือความรู้รูปสมมติว่าการกระทําที่เป็นกุศลดังกล่าวแล้วเราเองไม่ได้ทําเห็นคนอื่นก็ทําเกิดอนุโมทนาสาธุการใจก็ประกอบโดยมติตาในทางใจ ในแง่ของบุญก็เป็นอนุโมโทนาใหม่บุญที่เกิดขึ้นโดยการอนุโมโทนานี้แสดงเห็นว่าบุญเป็นเหตุให้เกิดบุญบางครั้งเห็นสิ่งที่เป็นกลางกางมองเห็นได้หลายท่านของเขาประมาทเผล อ, อทิ้งไว้ก็เก็บรักษาไว้ด้วยความกรุณางเจ้าของเห็นคนก็บางครั้งร่ำรวยก็ขอให้เขาอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของเข หรือว่าเห็นคนตายแล้วแทนที่จะหวาดกลัวก็พิจารณาเห็นว่านั้นเป็นธรรมดามีภาวะเป็นดังนั้นแม้เราเองก็ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ตัวกลางๆแต่ว่าเพราะอาศัยความรู้กำหนดขึ้นมาแล้วก็เป็นกุศลไปเลยบางที่ ม, มองเห็นบาปมองเ<อ><อ>ห็นผลของบาปเช่นทรงยกตัวอย่างเทวทูตห้าเทวทูตชุดห้าที่ว่าคนทึ่ถูกตัดสินลงโทษลงทันอาาจากของบ้านหนึ่ง ก็เป็นครูสอนสำหรับคนที่มีสติปัญญาพิจารณาเห็นว่าคนเหล่านี้เพราะทำบาปทำอกุศลเอาไว้จึงได้รับทุกข์รทรมทศเช่นนี้เพราะฉะนั้นบาปอากุศลนั้นนำผลเป็นความทุกข์มาให้แล้วก็มีตัวอย่างไปจักแก่สายตาคนตนแล้วปรเองก็งดเป็นไม่อยอมกระทำวิญญาณเหล่านั้นเลยได้ประโยชน์หมดทั้งสามด้านตัวการที่กำหนดความเปลี่ยนแปลงนั้นจึงอยู่ที่ธรรมะซึ่งกล่าวไว้นในตอนต้น ในการสติสัมปชัญญะและความเปลี่ยนซึ่งมีปริมาณมากพอในการวินิจฉัยอารมณ์ที่ผ่านมาแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีก็พลิกกลับเป็นดีได้สิ่งที่กลางๆ ก, ก็ เ, เป็นดีได้และสิ่งที่ดีก็เพิ่มดีขึ้นจากจุดนั้นได้ดังนั้นความรู้ที่บังเกิดขึ้นจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ธรรมะเพิ่มคูณขึ้นภายในจิตสันดานของบุคคลเนมาถึงจุดหนึ่งแล้ว เคยช่วยให้บุคคลเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องในอารมณ์ทั้งหลายสามารถปอนคลายบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของตัวนั้นเจือจางเบาบางลงไปโดยดําดักต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจความสงบสืบต่อไป